เพราะฉะนั้นมูนีนั้นละอาสะวะอันมีในก่อนไม่ทาอาสะวะใหม่ไม่เป็นผู้ดำเนินไปด้วยความพอใจทั้งไม่เป็นผู้กล่าวด้วยความถือมั่นมุนีนั้นเป็นทีรชนพ้นขาดแล้วจากทิฏฐิทั้งหลายไม่เป็นผู้ติเตียนตนย่อมไม่ติดอยู่ในโลกมุนีนั้นกำจัดเสนาแล้วในธรรมทั้งปวงเนี่ยนะท่านกำจัดกิเลสในธรรมทั้งปวงคือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบ มุนีนั้นปรงภาระคือขันห้าได้แล้วพ้นขาดแล้วไม่กำหนดด้วยตัณหาทิฏฐิไม่เข้าไปยินดีไม่ปรารถนาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดังนี้เนี่ยนะฉะนั้นตัวในครั้งว่ามุนีนั้นกำจัดเสนาในธรรมทั้งปวงะนะมานเสนาเรียกว่าเสนาคือกิเลสในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบเนนะ กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอริษยาตรณีความลวงโอ้อวดกระด้างแข็งดีถือตัวดูมิน่นเมาประมาทกิเลสทุจริตความกวนกวายความเร่าร้อนความเดือดรอ้อนอกุสลาภิสังขารทั้งหมดนั้นนะชื่อว่าเสนาแมานหรือมานเสนาเหมือนดังที่พระ อ, องค์ตรัสว่ากิเลสกามเป็นเสนาที่หนึ่งอารติเป็นเสนาที่สอง ความหิวความกระหายเป็นเสนาที่สามตันหาเป็นเสนาที่สี่ความง่วงเอาวหาวานอนเป็นเสนาที่ห้าความคลาดเป็นเสนาที่หกความลังเลสงสัยเป็นเสนาที่เจ็ดความลบหลู่กระด้างเป็นเสนาที่แปดลาบยศสรรเสริญสักการะยศที่ได้มาโดยผิดเนี่ย น, นเรียกว่าเสนาที่เก้ายกตนและขมผู้อื่นเป็นเสนาที่สิบของท่านดูก่อนพยามาน เสนาของท่านนี้เป็นผู้มีปกติกำจัดบุคคลผู้มีทดำด âm อ่านนะเรียกว่าสร้างความเสียหายให้คนเลวว่างั้นคนกล้าย่อมไม่ชนะมารและเสนานั้นได้ส่วนคนกล้าย่อมชนะได้ครั้นชนะแล้วย่อมได้ความสุขเมื่อใดมารเสนาทั้งหมดและกิเลสอันทําความปฏิบัติทั้งหมดอันมูนีนั้นนชนะให้พ่ายแพ้ทําลายเสียแล้วกําจัดเสียแล้วทําให้ไม่สู้หน้าแล้ว ด้วยอริยมรรคสีกนะ่การที่กําจัดมารและเสนามารเนี่ยต้องกําจัดด้วยมรรคนะด้วยอริยมรรคมุนีนั้นเรียกว่าเป็นผู้กําจัดเสนาแล้วมุนีนั้นอะกำจัดเสนาในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบนะในอารมณ์ที่รู้แจ้งฉะนั้นมุนีกําจัดเสนาคือกําจัดบาปอากุศลกิเลสทั้งมวลในทุกอารมณ์มุนีนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปรงภาระแล้วภาระมีสามนะคือขันธภาระกิเลสภาระอภิสังขารภาระ ภาระสามถ้าจะกล่าวสัมนวนที่คุ้นเคยก็คือวตตะสามนั่นแหละขันธภาระก็คือวิปากวัตนะะกิเลสภาระก็คือกิเลสวัตอภิสังขารภาระก็คือกรรมวัตนั่นเองขันธภาระก็คือขันห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในปฏิสนธิชื่อว่าขันธภาระของเราเนี่ยก็บริหารภาระเนี่ยเรื่อยๆนะ ท, ทิ้งภาระอันนี้เอาไหมภาระใหม่ออื ไม่เอาหรือว่าย่งไรไม่อยากได้แต่ก็ต้องเอาอ่ะนะเพราะว่าแหมติดต่อไว้ตลอดเยอะเหลือเกินเนี่ยนะจานวนว่าไม่อยากไปแต่ก็ต้องไปแบบนั้นนะอ่ะนะแล้วก็กิเลสภาระก็คือเนี่ยราคาโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธเป็นต้นนี่แหละเรียกกิเลสภาระ ส่วนอภิสังขารภาระก็คือบุญเนี่ยนะปุญญาภิสังขารเนี่ยนะก็คือมาคุศลเจตนา8มหคตะกุศลเจตนาเก้าอปุญญาภิสังขารก็คืออกุศลเจตนา12องอเนินชาภิสังขารก็คืออรูปาวจรกุศลเจตนาสขันธภาระกิเลสภาระและอภิสังขารภาระก็คือกรรมวัดวิปากวัดกิเลสวัสดเนี่ยเป็นสภาพอันมูนีนั้นอะละแล้วมีรากอันขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้ง ดังตามยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเมื่อใดเมื่อนั้นมุนีนั้นเรียกว่าผู้ปลงภาระแล้วเดี๋ยวนะพาถานี่เป็นผู้ปลงภาระใช่ไหมแต่ปุตุชนนี่กำลังแบกภาระเนี่ยนะก็เรียกว่าปุตุชนนี่สแสวงหาภ า, า, าระแบกภาระโอ้โทุกข์กับภาระเหล่านี้แหละ พันแต่พระฐาเนี่ยเป็นผู้มีภาระเนี่ยตกไปแล้วมีภาระเนี่ยปลดแล้วมีภาระอันปล่อยแล้วมีภาระอันวางแล้วมีภาระอันระงับแล้วเนี่ยนะ 3, ส้มก็แปลว่าพร้อมไงซ้ำนะก็คือเกลือกให้ศัพ์นั้นอ่ะหนักแน่งยิ่งขึ้นคําว่ามูนีก็คือผู้มีผู้มียานเนี่ยนะผู้มีโมเนยธรรมอนะี่ะ า cards, ญาณเรียกว่าโมนะได้แก่ปัญญาก็ปัญญาคือไรปัญญาก็คือความรู้ทั่วความเลือกเฟ้นความเลือกเฟ้นทั่วความเลือกเฟ้นธรรมความกําหนดดีความเข้าไปกําหนดความเข้าไปกําหนดเฉพาะความเป็นบัณฑิตความเป็นผู้ฉลาดความเป็นผู้มีปัญญารักษาตนปัญญาเป็นเครื่องจําแนกปัญญาเป็นเครื่องคิดปัญญาเป็นเครื่องเข้าไปเห็นปัญญาอันกว้างขวางดุจแผ่นดินปัญญาเครื่องทําลายกิเลส ปัญญาอันนำไปรอบปัญญาเครื่องเห็นแจ้งความรู้สึกตัวปัญญาเป็นเครื่องเจาะแทงปัญญาเครื่องเห็นชัดปัญญาเป็นใหญ่ปัญญาเป็นกำลังปัญญาเป็นดังศาสตราปัญญาเป็นดังปราสาสต์ปัญญาอันสว่างปัญญาอันแจ่มแจ้งปัญญาอันรุ่งเรืองปัญญาเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกนะเนีความไม่หลงความเลือกเฟ้นรำสัมาทิฐิบุคคลประกอบด้วยญาณนั้นชื่อว่าเป็นมุนีคือผู้ถึงญาณคือชื่อว่ามณ ชื่ว่าโมะ น, นะเนี่ยนะโมนยะคือทำเป็นเครื่องทำเป็นมุนีเนี่ยมีสมอย่างคือโมนยธรรมทางกายหนึ่งโมนยธรรมทางวาจาหนึ่งโมนยธรรมทางใจหนึ่งโมนยธรรมทางกายเนี่ยเป็นฉนัยก็คือการละกายยทุจริตสมอย่างชื่อว่าโมนยธรรมทางกายกายสุจริตนะการบําเพ็ญกายสุจริตสมอย่างยานมีกายเป็นอารมณ์ การทำปริญญาในกายมักอันสอรคตด้วยปริญญาการละฉันทราค่าในกายความดับกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะความบรรลุฌานที่สี่จตุทัชฌานแต่ละอย่างแต่ละอย่างชื่อว่าโมนายธรรมทางกา ย, ยานะโมนายธรรมทางวาจาเป็นไนการละวจีทูจริตสี่อย่างวจีสุจริตสี่อย่างยานมีวาจาเป็นอารมณ์การทำปริญญาในวาจา มักสหรคตด้วยปริญญาการละฉันทราฆะในวาจาการดับวาจาคือวิตตวิจารเนี่ยนะบรรลุทุติยชานแต่ละอย่างที่กล่าวไปชื่อว่าโมเนยธรรมทางวาจาส่วนโมเนยธรรมทางใจเนี่ยเป็นไงนะก็คือการละมโนทุจริตสมอย่างชื่อว่าโมเนยธรรมทางใจหรือว่าการบำเพ็ญสุจริตสามอย่างอย่านมีจิตเป็นอารมณ์ความกาหนดรู้จิต มักอันสหรกรดด้วยปริญญาการละฉันทราคะาในจิตความดับแห่งจิตตสังขารความบรรลุสัญญาเวทายตานิโรธแต่และอย่างที่กล่าวไปชื่อว่าโมนนธรรมทางใจสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบัณฑิตทั้งหลายได้กล่าวมุนีผู้มีผู้เป็นมุนีทางกายเป็นมุนีทางวาจาเป็นมุนีทางใจไม่มีอาสวะว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมที่ทาให้เป็นมุนี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 อานาคารมุนีเสขามุนีอเสขามุนีปัจเจกามุนีแล้วก็มุนิมุนีอาคารามุนีเนี่ยเป็นฉไหนก็คือชนเหล่าใดเป็นผู้ครองเรือนมีบทคืนนิพานอันเห็นแล้วมีศาสนาอันรู้แจ้งแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าอาคารามุนีคือเป็นคารวะที่ครองเรือนเห็นอริยสัจตรัสรู้พระนิพานเนี่ยนะนี่แหละเรียกว่าอาคารามุนีส่วนอนาคารามุนีก็คือชนเหล่าใดออกบวช มีบทคือนิพานอันเห็นแล้วมีาศาสนาอันรู้แจ้งแล้วนั้นชื่อว่าอนาคารามุนีเห็นนิพานบําเพ็ญไตรสิกานะโดยนักบวชอะ่ะส่วนพระเสขะเจตเนี่ยนะโสดาปฏิมัติจนถึงอรหัตตมัติชื่อว่าเสขามุนีส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอาเสขามุนีพระปัจเจกพู้เทเจ้าทั้งหลายเป็นปัจเจกมุนีส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมุนีมุนี บุคคลไม่เป็นมุนีด้วยความเป็นผู้นิ่งนะคนรู้เนี่ยไม่จะวันนิ่งใชเฉยๆจะเรียกว่าคนรู้อะไรนะแต่เป็นผู้เปล่าไม่ใช่ผู้รู้ส่วนบุคคลใดเป็นบัณฑิตถือธรรมะอันประเสริฐละเว้นบาปทั้งหลายเหมือนคนที่ถือเครื่องช่างตั้งอยู่ฉะนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นมุนีเรียกว่ามุนีโดยเหตุนั้นบุคคลใดย่อมรู้โลกทั้งสองบุคคลนั้นเรียกว่ามีเรียกว่ามุนีโดยเหตุนั้น บุคคลใดรู้ธรรมะของอาศรบุรุษและธรรมะของศัตร์บุรุษในโลกทั้งปวงทั้งภายในและภายนอก9้าวล่วงธรรมะเครื่องข้องและตันหาเพียงดังว่าขายดำรงอยู่เป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นมุนีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมุนีนั้นอ่ะเป็นผู้พ้นขาดจากราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธเป็นต้นตลอดจนถึงอากุสลาภิสังขาร มูน ar, ีนั้นเป็นผู้ปรงภาระเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรงขันธภาระกิเลสภาระอภิส <ismus> ังขารภาระเพราะนั้นผลขาดคือตัดฉั้นราคะได้หมดเกลี้ยงแล้วคําว่าความกําหนดเนี่ยนะความกําหนดด้วยตันหาความกําหนดด้วยทิฏฐิมุนีนั้นละความกําหนดด้วยตันหาสละคืนความกําหนดด้วยทิฏฐิเพราะเป็นผู้ละความกําหนดด้วยตันหาสละคืนความกําหนดด้วยทิฏฐิ จึงจึงย่อมไม่กำหนดด้วยความกำหนดคือตัญหาหรือความกำหนดด้วยที่ที่ไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่มีความกำหนดคำ ว, ว่าไม่เข้าไปยินดีก็คือพวกภาลปุตุชนทั้งปวงย่อมกำหนัดพระเสขาเจ็ดพวกและกาลยาณปุตุชนย่อมยินดียินดียิ่ง ยินดีเฉพาะเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ทําให้แจ้งะนะแสดงว่ากาลยาณนะปุตุชนกับพระเสขะปรารถนาการตรัสรู้อย่างยิ่งเหมือนกันส่วนพระารหารนี่เป็นผู้ยินดียินดียิ่งยินดีเฉพาะแล้วคือเป็นผู้ออกสละพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องเป็นผู้ปราศจากแดนกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่กําหนัด คือไม่กำหนดเนี่ยนะไม่กำหนดด้วยตันหาทิฏฐิไม่เข้าไปยินดีผะ า, ารหันนั้นไม่มีความปรารถนาด้วยอำนาจตันหาเนี่ยนะผันตันหานั้นอะ่ะผ้ารหันละตัดขาดสงบประงับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นผ้ า, ารหันคือมุนีจึงเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาส่วนคำว่าพักวาพักวานี่ก็หมายถึงพระผู้มีพระภาคนะว่า พักว่าเพราะอัตถาว่าทําลายราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเสี้ยนนา้าและทําลายกิเลสแล้วนะก็คือทําลายบาปอกุศลทุกชนิดเนี่ยแหละเรียกว่าพาักว่าอั้นความว่าพักวาพระผู้มีพระภาคเนี่ยเน้นที่ทําลายสมุทัยสัตว์ทำลายกิเลสเนี่ยนะเชื่อว่าพักวาเพราะอัตถาว่าจำแนกทรงจำแนกแจกแจงเฉพาะซึ่งธรรมรัตน ะ, ะนะจำแนกจำแนกคําสอนคือธรรมรัตนะที่เหมือนแก้วสารพัดนึกเนี่ยนะ จำแนกธรรมวินัยจำแนกพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมจำแนกทีขนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตอังคุตคุตตะนิกายหรือจำแนกสุตตะขยะวยาการณาคาถาอุทานิติวุตตะเป็นต้นหรือพระองค์เนี่ยจำแนกพระไตรปิฎกฟังกั้นนะในกว้างขวางอย่างที่เห็นนี่แหละเชื่อว่าพระขาเพราะทรงทำที่สุดแห่งภพทั้งหลายคือมีพระกายอันอ บ, บรมแล้วมีศีลอันอ บ, บรมแล้วมีจิตอันอ บ, บรมแล้ว มีปัญญาอันอบรมแล้วเนี่ยก็อบรมีากายศีลจิตและปัญญาเรียบร้อยหมดแล้วอันสิ่งที่ควรบำเพ็ญสิ่งที่ควรภาคเพียรเจริญภาวนาเนี่ยพระองค์ภาคเพียรจนจบสิ้นบริบูรณ์พระผู้มีพระภาคเจ้านี่ซ่อ ง, อ ง, องเสพเสนาสนะป่าไม่ว่าจะเป็นป่าละเมาป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยปราศจากเสียงกึกก้องปราศจากชนผู้สัญจรไปมาเป็นที่ควรทํากรรมลับของมนุษย์ ควรแก่วิเวกฉะนั้นจึงชื่อว่าพักวาอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งปัจใจสี่จึงชื่อว่าพักวาอีกอย่างหนึ่งก็ชื่อว่าพักวาเพราะมีส่วนแห่งอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาอันมีอัทธรสธรรมรสวิมุตติรสเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพักวาพระผู้มีพระภาคนี้ทรงมีส่วนแห่งฌานสี่อปมาญญาสีอรูปสมาบัติสี่จึงชื่อว่าพักวาพระผู้มีพระภาคมีส่วนแห่งวิโมก8อภิพาญตนะแ อนุปภาพวิหารสมาบัติ9จึงชื่อว่าพักวาพระผู้มีพระภาคทรงมีส่วนแห่งสัญญาภาวนาสิบกสินสมาบัติ10บอาณาปานสติสมาธิอสุภสมาบัติจึงชื่อว่าพักวาหรือมีส่วนแห่งโพธิปัตยธรรม37คือสติปทาน 4, สีสามารถปทาน4อิทิบาทสอินทรี่ห้าพละหโพชฌงเจ็อริยมรรคมีองค์8ปดจึงชื่อว่าพักวาหรือพระองค์มีส่วนแห่งตถาคตพละสิบ เวสารัชยานสี่ปฏิสัมพิทา4ี่อภิญยาหพุทธธรรม6จึงชื่อว่าพักวาคคำว่าพักวานี้พระมารดาพระบิดาพระพาดาพระคินีมิตรอมาตยาสาโลหิตสมณพราหมเทวดามิได้เฉลิมให้ไม่ได้มีใครมาเรียกพระองค์อย่างนี้หรอกแต่ว่าคำว่าพักวานี้เป็นวิโมกขันติกานามคือนามที่มีในอรหัตผลในลาดับแห่งอรหัตมรรคเป็นสัจฉิกาบัญญัต คือบัญยัติที่เกิดเพราะทําให้แจ้งซึ่งอรหันตผลและทำทั้งปวงพร้อมด้วยการบรรลุพระสัพพัญยุตยานณควงไม้โพพฤกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามุนีคือพระอรหันเนี่ยนะไม่มีความกําหนดไม่เข้าไปยินดีไม่มีความปรารถนาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ด, ดังนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นสรุป คถาที่ตรัสไปว่ามูนีนั้นกำจัดเสนาทั้งปวงในธรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภาพเนี่ยนะมุนีนั้นเป็นผู้ปรงภาระแลว้วคือปรงกะกิเลสภาระเป็นต้นเนี่ยพ้นขาดไม่กำหนดด้วยตันหาที่ที่ไม่เข้าไปยินดีไม่มีความปรารถนานั้นพระองค์เนี่ยตรัส ด, ดังนี้เนี่ยนะ ล้วก็เวลาจบเทสนาเนี oh ่ยนะก็เทวดาบรรลุแสนโกดบรรลุเป็นพระอรหันต์นะแสนโกดที่บรรลุคุณธรรมที่เหลือก็หาประมาณไม่ได้เนี่ยนะก็ว่าไม่มีเราอยู่ในนั้นอีกเหมือนเดิมเหมือนไก็เหมาะแล้วที่จะแก้โมหะเจริตนะสูตรเนี่ยนะเหมาะจริงๆที่จะแก้โมหะเจริต นี่ก็ข้อความในมหาวิยุหสุตานิเทศที่สิบสามก็จบลงแต่เพียงเท่านี้